สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคำอุปมาตอนที่หกนะครับเรื่องเชื้อขนมปังพี่น้องครับโภชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมวัดที่บัวที่สิบสามข้อที่สามสิบสามวัดที่ัที่สิบสามข้อที่สามสิบสามโปรดฟังโภชนะของพระเจ้าพระองค์ยังตัดคําอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่า แผ่นดินสวรคนนาาสรค์ the um เ, เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถามังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดโปรดฟังอีกครั้งพระองค์ยังตรัสคำอุมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดพระนงค์ทาโพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เกี่ยวข้อ ง, งอกองับคําอุมาเรื่องเชื้อขนมปังคำอุมาแต่ละเรื่อง ที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัตติวเพราะว่าสิ่ดที่มัตติวต้องการเน้นก็คือพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวในขณะที่ผู้บันทึกพระกิตติคุณแต่ละคนที่เหลือก็คือมารโกลูกายอนก็พยายามที่จะบันทึกข้อความให้เราทราบตามแต่ภูมิหลังและความรู้ของเขาเหนือเรื่งพระเยซูพี่น้องครับมัตติวกับหยอนได้บันทึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ว่าเรื่องเชื้อขนมนั้นได้บันทึกไว้มัทธิวและลูกาเท่านั้นเองนะครับเป็นไปได้มากครับที่มัทธิวแลวก็ยอนนะครับอยู่กับพระเยซูส่วนมาระโกแล้วก็ลูกานั้นจริงจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพระเยซูเท่าไหร่นักนะครับเพราะมาระโกนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มที่เขาติดตามพระเยซูห่างๆไม่ได้เป็นสาวกองไงของพระเยซูเหมือนกับมัทธิวและยอนนะครับ ส่วนลูกานั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านอัครทูทตเปาโลครับและท่านก็เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูและบันทึกออกมาเป็นพระกิตติคุณลูกาเองนะครับแต่ว่าเรารู้ครับว่าผู้ที่ให้ข้อมูลหลักเลยก็คือท่านอัครทูทตเปาโลครับและลูการนั้นท่านเป็นหมอท่านเป็นนักค้นคว้าท่านก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับในปาเลสไตน์ตบ้างในเรื่ คลิกเตียงที่กระจ ก, กระจายมาอยู่ตามสารที่ต่างๆบ้างและรวบรวมอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพัคกิติคุณที่เหลืออีกทั้งสามเล่มพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าผู้บันทึกแต่ละคนพยายามบันทึกข้อความให้เราทราบตามแต่ภูมิหลังและความรู้ของเขาในเรื่องพระเยซูนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เราจะรู้จักพัคกิริคุณนะครับทั้งสี่เล่มไปพร้อมๆกันในขณะเดีวยวกันครับ พระเยซูมักจะยกภาพประกอบจากธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันให้เป็นคําอุปมาเพื่อิสอนเรื่องราวความจริงทศธรรมเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์คําอุปมาเรื่องเชื้อขนมปังนี้ก็เป็นคําอุปมาที่เปรียบเทียบว่าเชื้อขนมปังเหมือนกับการเติบโตของขนมปังที่ถูกใส่เชื้อเข้าไปเช่นเดียวกันครับกันชินสวรรค์ถ้าเข้าไปอยู่ในใจของใคร เขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นได้ในประเทศปาเลสไตน์นั้นไม่มีโรงงานทาขนมปังครับขนมปังที่ทำในแต่ละครั้งต้องทาเป็นจานวนมากเพราะว่าเชื้อเกรือั้นเป็นสิ่งที่หายากเนื่องจากว่าต้นไม้มีไม่ค่อยมากนะครับในแถบดินแดนปาเลสไตน์บ้านของผู้คนส่วนใหญ่หรือชาวบ้านนั้นก็จะพักจะมีเตาปิ้งขนมปังไว้นอกบ้านครับ บางครอบครัวก็อาจจะใช้เตาปิ้งร่วมกันกับครอบครัว อ, อื่นแต่ชั้นล่างสุดของเตาก็เป็นชั้นของเกลือเพราะว่าเกลือนั้นช่วยเก็บความร้อนเพียงครับเรารู้นะครับว่าหลายๆนครั้งทีเดียวการปิ้งขนมปังเป็นเรื่องที่ทุกๆครอบครัวต้องทําได้แต่ก็ยังมีเบ็ดเลยเห็นครับซึ่งแปลว่าบ้านขนมปังเขาก็คาดกันคาดกันว่านะครับคาดคะเนกันว่าเบ็ดเลยเห็นนั้นน่าจะเป็นบ้านหรือหมู่บ้านที่ ขนมปังอร่อยมากแล้วก็สามารถส่งขนมปังออกนะครับไปขายที่ตามที่ต่างๆที่อื่นๆจึงมีชื่อว่าเป็นไรเฮมก็คือบ้านขนมปังนั่นเองในะคำอุปมาของพระเยซูตอนนี้นะครับเราพบว่าเมื่อสักวรู่นี้ผมได้อ่านเชิญพฆษณาของพระเจ้าและอ่านให้พี่น้องฟังเราจะพบกับปริมาณแป้งนะครับที่นี่แป้งสามถังดยกันนะครับ แผนดินสวรรเปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดครับอมามา น, นี้พูดถึงปริมาณของแป้งนะครับที่เพียงพอต่อการปิ้งนะครับน้ำหนักของแป้งแต่ละถังนั้นก็ตกอยู่ประมาณเจ็ดกิโลกว่ากว่านะครับและสามถังก็มีการคำนวณไปคูณไปครับก็อยู่ประมาณที่ยี่สิบสองกิโลกว่ากว่านะครับ ซึ่งปรากฏว่าน้ำหนักอกีน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับของแป้งสามถังก็ประมาณอยู่ที่ยี่สิบสองจุดเจดกิโลครับก็สามารถที่จะทำขนมปังได้สี่สิบห้าสิบก้อนด้วยกันนะครับขนมปังของคนยูในสมัยนั้นมีลักษณะเป็นก้อนกลมใหญ่ครับซึ่งจะแบนลงหลังจากที่ถูกทำให้เย็นหากว่าพี่น้องเคยเห็นชาวาเล็กสไตล์นะครับหรือคนตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งแขกนะครับอินเดีย เราจะรู้กัครับว่าถ้าเขาปิ้งขนมปังที่เขาไปกินเองนั้นจะไม่ใช่แบบโรตีนะครับแต่จะเป็นกลมๆแบบโรตีแต่ใหญ่กว่าโรตีที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเวลาเขาปิ้งนะครับปิ้งให้แป้งมันสุกกลายเป็นขนมปังนั้นตรงกลางครับนะครับมันจะมี อ, ออากาศอยู่และอากาจะขยายตัวครับทําให้เหมือนกับ อ, อแป้งนั้นมัน มันบวมขึ้นมาน้ำทองขึ้นมานะครับซึ่งตอนเย็นมันก็จะแบนลงครับเฉั้นเราจะรู้ว่าขนมปังที่ร้อนนะครับที่อยู่บนเตาปิ้งมันก็เกิฟูขึ้นมานะครับบวมขึ้นมาขนมปังนั้นจะถูกหักออกเป็นชิ้นๆเวลากินนะครับเขาจะดึงออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จิ้มจากถ้วยนะครับจิ้มจากาถ้วยอาหารอาจจะเป็นจุ่มกับพวกอซอสนะครับหรือ นะครับผักดองนะครับหรือพวกมะเขือเทศบบต่างๆเหล่ า, านี้ซึ่งปรุงมานะครับปรากฏว่าผมได้มีโอกาสไปชิมอาหารพวกนี้นะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือนของชาวอิสราเอลก็อร่อยนะครับแล้วก็แปลกทีเดียวมีรสชาติที่น่าชิมเป็นอย่างมากเป็นเรื่องธรรมดาครับทั้งครอบครัวที่จะต้องกินนะครับกิ้มจากถ้วยอาหารเดียวกันบางครั้งขนมปังนี้ก็อาจจะกินร่วมกับชิ้นของปลา หรือเนยก็ได้นะครับขนมปังก็มีความสําคัญเทียบเท่ากับข้าวของบ้านเราและเป็นอาหารหลักของอาหารทุกมื้อของชาวอิสราเอลสิ่งที่พระเยซูเน้นในคําอุ ป, ปมานี้ก็คือเชื้อขนมครับเชื้อขนมนั้นก็คือยีสต์นะครับพระเยซูไม่ได้เน้นขนมปังที่ปิ้งเสร็จแล้วพระเยซูกล่ว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด ก็แสดงว่าเชื้อย e a s t นะครับที่ใส่ไปในแป้งจะทําให้แป้งฟูขึ้นมาความหมายของที่นี่คืออะไรครับมีการแปลความหมายเรื่องเชื้อนะครับโดยทั่วทั่ฝ่ายนั้นเชื้อก็มีความหมายในทางไม่ดีนะครับและความหมายในทางที่ดีสามารถแปลความหมายเชื้อขนมได้อยู่สองความหมายในข้อความบางตอนในพระคัมภีร์ในตอนอื่นๆ น, นะครับเชื้อขนมนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่ชั่วร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้ข้าพี่น้องว่างนะครับเปิดดูในพระธรรมหนึ่งโครินโวที่ห้าข้อที่หกถึงข้อที่แปดนะครับแป้งไร้ครับอย่างนไรก็ตามครับเชื้อขนมก็เป็นสิ่งที่เชื้อลงเป็ตแปง้งเพื่อทําให้ขนมปังยิ่มและหน้ารับประทานพี่น้องครับเราจะเข้าใจเรื่องเชื้อขนมปังในแง่ลบ ก, ก็คือตอนที่อิสวเอวนั้นเผาออกจากอียิปต์ในเทศกาลปัสกา และเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเทศกาลปัสกานั้นสมมุติว่าเป็นวันแรกนะครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้อก็จะเป็นวันที่สองถึงวันที่แปดนะครับและวันแรกคือวันเทศกาลปัสกานั้นก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่อยู่ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่งเขาเรียกว่าเดือนอาบิบนะครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้อก็จะอยู่ในวันที่สองของเดือนอาบิบ ไปจนกระทั่งถึงวันที่แปดของเดือนอาบิษเหตุการณ์นี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอบพยพบทที่ยี่สสามครับข้อที่สิบสี่สิบห้าจงถือเทศกาลถวายแต่เราปีละสามครั้งจงถือเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบิษอันเป็นเดือนซึ่งเราบัญชาไว้เจ้าจงกินขนมปังไรเชื้อเ็จวันตามที่เราสั่งเจ้าไว้แล้ว พรในเดือนนั้นเจ้าออกจากอียิปตการกินขนมปังไร้เชื้อนั้นมีความหมายสองอย่างขณะที่พวกเขาออกจากอียิปตก็คือพวกเขาให้พวกเขารีบทํานะครับและในเวลาเดียวกันความหมายที่สองก็คือให้เขามีชีวิตที่แยกนะครับแยกตัวออกจากเชือ้อนะครับเชื้อนั้นมีความหมายถึงสิ่งที่มลทินออกจากความบาปเช่นเดียวกันครับในความหมายของพระเยซูในที่นี้ พระองค์ไม่ได้หมายถึงเชื้อที่เป็นมวลทินนะครับแต่พระองค์หมายถึงเชื้อขนมปังซึ่งเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ที่ทําให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมพูดใหม่อีกครั้งนะครับเชื้อขนมปังนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาในชีวิตของแต่ละคน ก็จะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นการเป็นครสเสียนจึงเป็นการที่ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงเด็กคนชะลาคนยากจนได้เช่นเดียวกันครับเราอาจจะไม่เห็นว่าเชือขนมปังมันทำงานยังไงเพราะเหตุที่วันเกิดเติบโตช้าและเป็นเป็นไปทีเล็กเียน้อยเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายอาจจะไม่ได้สังเกต ถ้าสังเกตเราจะเห็นนะครับแต่ถ้าละความสนใจสังเกตเป็นพักๆก็จะยิ่งตกใจเท่าไรครับเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นระยะระยะระยะเป็นช่วงๆเปรียบเทียบได้ชัดเจนครับว่ามันเริ่มพองขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแต่กระบวนการนั้นมันเกิดขึ้นเพียเล็กเพียน้อยครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อเขามีแผ่นดินสวรรค์นะครับเมื่อเขาอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ แผ่นดินสวรรค์เกิดขึ้นในหัวใจในชีวิตของเขานั่นหมายความว่าพระเยซูและพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครับและการเปลี่ยนแปลนงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆแต่สม่ําเสมอครับชีวิตของเราที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราจะมีการเติบโตนะครับเหมือนกับเชื้อครับที่เติบโตเป็นแผ่นดินสวรรค์ในชีวิตของเรานะครับการที่แผ่นดินสวรรค์ได้เพิ่มทวีมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วทรงเป็นผู้เหนือความตายเสด็จสู่สวรรค์ตอนนั้นมีผู้เชื่ออยู่120คนใช่ไหมครับ120คนที่พระเยซูจากพวกเขาไปแต่พวกเขานั้นไม่ได้ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูพวกเขาคอยท่าการกลับมาของพระเยซูด้วยท่าทีแห่งการเชื่อฟังและปฏิบัติรับใช้พระเยซูตามที่พระเยซูได้มอบหมายให้เขาในมัทธิวบท28ข้อสุดท้าย แวนเทนเทคสเตพี่น้องครับต่อมาอีกไม่กี่วันนะครับมีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นถึง 3,000 คนเห็นไหมครับว่าเชื่อขนมปังทํางานแล้วแผ่นดินสวรรค์ที่ตกเข้าไปอยู่ในชีวิตในจิตใจของผู้เชื่อเริ่มทํางานนะครับแผ่นดินสวรรค์เริ่มขยายตัวนะครับมีจํานวนมีปริมาณคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายครับ30ปีต่อมาจํานวนคนมากมายที่ได้เข้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า นีทั้งชายและหญิงจากทั่วทุกเมืองที่รู้จักในเวลานั้นดังนั้นครับนี่คืออุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์ให้เรากลับมาดูในครอบครัวของเราแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์มีขานาดขนาดใหญ่แค่ไหนครับให้เรากลับมาดูประเทศไทยของเราแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพระเจ้ามีขนาดใหญ่เพียงไหนครับในประเทศไทยของเราให้เรากลับมาดูการขยายตัวของแผ่นดินสวรรค์ในคเดตแดนของเราครับว่าเดตแดนของเรานั้น มีโกรธเรตหรือมีอัตราการเจริญเติบโตการขยายตัวมาก น, อน้อยอย่างไหนครับขอยเราพึ่งพาพระเจ้านะครับและยอมสารภาพกับพระเจ้าว่าหลายๆครั้งเราก็ผิดเราต้องรับผิดชอบในเรื่องของการที่เราไม่ได้ทําให้แผ่นดินของพระเจ้าขายายตัวเท่าที่ควรทั้งที่แผ่นดินของพระเจ้านั้นมีธรรมชาติแห่งการขายายตัวนะครับอยู่แล้วขอพี่น้องแบกหลวมนั้นเข้าพระเจ้าด้วยที่จะ ยินดีในการทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายตัวครับเหมือนกับเชื้อขนมปังและอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกๆคนในการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ให้จงได้อาเมน